วัยนานาตั้งแตเป็นผู้สารวางเต่านั้เป็นผู้มัโอ้ยแงน้ายกตาไปบวกตาจมน้าคำชีเด่นกับชก่นอยากได้หลายพะโลูใไ้พ่อยไปพี่ไปพ่อยไปหน่อยได้เลยซื้อบางได้ก็ไม่แม่หนูบนสะบัดเดียแม่หนูบนสะบัดเจ้าบ้า เมืเอนะ่อนาในเที่ยงหาแม่ที่ภาคทูมิให้ลู ก, ล ก, กนกอพยศมันไนดะ้เตือนทั้งนะเดือนนาไม่เอียงทลายนะยังลูกชายเสียคุณเสีอ ส, สิ่งซาก <c oughs> โอ้เจ้าศรีสนันนะนาะย้อนป้องกังลูกน้อยบ่ให้เสียซากเสือกะตมแทแตลสิ่ง แม่สัมผัสกาบังเจ้าบ่เขียวกะจาเป็นเสียนากาบ่มีกะคนนาะขอแต่ทวงคํกราบนาสำลายใจกู้สุญญาน่ะแม่สิขออีกคำเพื่อพสุสดลูกอ่อนหอยไปตายเอาราบนาเธอมาเหียงขาเจ้าพงนาว่าแล้วให้ําหอง ไอ่มนอไปเป็นเธอใหญจังนาต้องอยากตายให้แล้วนาแม่นให้กินหัวเห บ่ี่เฮ้ยเดี๋ยวจะเอาขึ้นเผินเอิดได้หาช่อร่มเผินเมญาเมญาอยู่มาเอ้ยแม่ซาง่ากะบังเจ้าโบกเกียวกับจำใจลูกลาเอ้ยเสริมันดานีกระพามีคัดของจังเมียดรอทำมาจะท่อมท่อมก่อนเสียนสบายใจผู้สุยางแม่สีพอหลีกท่างเพือคพามสูบลูกอ่อนหน่อยนี้ไปตายเอาดานาขึ้นมาเหียขาดกระพรองเป็นสันละมาเอ้ยที่แม่บอกกระว่าแม่ฮักเจ้าเสลีลูกลาเออ กันฮงอีกวยพอ่อนเพื่นที่เราจะกวานนึงซะกกอนจากนั้นแล้วก็จะมาคุยกันต่อถวารีหวยเพื่อเพื่อการีน้ำเด้อโอเคมีเงิสอนโอเคมีเงิสอนนะบัดนี้นะเอิ้นฉันจะวยพ่อในศรัทธาไทยเราคุกทานทีมา นี่ให้ผอมดอคกคากาวากนน่าสาธุยนนาผูท่านนัน้นในนีแต่ความสุขทุกจะมีบาปในสืมบากันเบิดบานนาทงที่ตัทนาวเอาเป็นบุญมุญ่นสูงเดิน ย, อยุอันนีรงทงให้สมดามดังพระทัย น, นาคอยท่านนั้นได้รับส พ้นชัยตามที่ฉันแปลงไทยกมามวันเยมนนาวาซาทุลย์นาควอยพ้นทั้งหา้าร่างที่ฉันเคยดำให้ฤทธิ์พักศรัทธาทางมืดห น, นีให้มีเที่ยงนาผู้อ้วนสู้คนเดียมนาจังว่าขอ น, นั้นมี้อายุเรื่องมลมเราทุกอยู่อยู่ตั้ตลอดการเราส่งไทยผู้สูค้คนเดิมนาะ มีอายุยืนนั่งตรวจการหลของท่านะทั้งคุณลูกคุณปงังเอาอะไรทั้งคุณตาคุณยายคู่สูค่คนเราคนพร้อมนาะฉันสิโมทมอท่ามสาธุการหอกใสยสื่นเนี่อายุย้วนนะยืนตรวจกัรสวดเท่านาอยามีเทาแก่ช้ำนนะาะขอสมเด็จแม่ไปผิวผักวันให้มีกายาส่เราดังคำเจ้าท้าไว้แลมนานะ ขอให้สีเสียมเทียมดีส e ีส่องเพื่อกังท้องแทงปันวักนาจ่อยส่องเอาหนาฟาสาทื้อนาเจ้ายามีปวดโตเต็มเตียขี่ไม่ห่อยเต็งกุงใส่หญ่เหยียดย่างคล้อนหาชาเราไปคันถึงแล้วแหววให้เพื่อก่าดนหนุนเดอยได้มีใค่ทอมหนา ร่างกายเจ้าจะได้ถูกป้องนายมีทภราตลอดกาลเมียวันอาอันเลิกล่ำประจำทานถูกป้องการด้วยกุศลพนทันที่ทางทำในวันเย็นนาขอให้เมีวันอาเกี่ยงเพียงพายจันมือสิบสียรัสสมีทองทนในคน้นนมเจริญ นาพอสาร น, น, นาให้เนื้อสุกเกิดล้ำทำเสนียดยามาัำตลอดการแนวไรซึ้นเตะทันสุดวันนาด้วยคุณสศรัทธาจวาเช้าได้สามกองพมงจิตกอยาพ่อเราพงแทยอย้าหย่นาขื้นคอยเป็นดังคนฉันรอทะนารับทุกทา ให้สุขภราธาเจ้าดอกหมนาะวาสากุทเอ์ตะวกที่อ่องดอกไมสุหลานที่มาทั้งตาแห่กันดอกเตอตามนาะให้เจ้าสุดสบายเนระื่องนาในบ้านอันซึ่งบารในสมุขคือเคื่อนจะยืนมั น, นอดอกมืนตีนนาะรกจากนี้พรสีให้มีบันานะมีกำลังปั เาตืมคุ้มตื้นยำปั่นกะไพรยส่างส้างคุ้งถักรกันนะเทใไ้แข็งทันเปกระังต่อตาบ่ยียัดนเยินนากว่ายมไทยนาแม้นสีพบถอดไม่ต้นในมหาศานลุมเือยุ่งหรือสิทั้งจิตกากรสิ่งไหบอกงงนา กำลังท้อง้าตาให้สารเสมอรังนะตัวพระธรรมนาให้เยียงต่อสู้ศัตรูยานแกลนินาจังว่าขอหาฤทธอ์เอียมให้ได้แก่ปติพันธ์นาสธาทานทั้งหลายให้ร่าหมายสยจรินามีเขา ปัดหน้าไว้ใส่ซองตั้กามิไว้กองมองสิสง่งว่าทรงทำนาปาฏิทานของมูเจ้าก็คอยเริ่มคำพูดอุหามนาเมื่อนิทานราทาตั้งแต่ครากราันาองค์พระจอมทำเจสันรระสิทธิดเดินวานนาพระราาเกีนยงกางเขารังนอกต่อวัง น, นเยมนาเสียงหาย ึงเลื่อว่าปติภาณนาสัทธาทางทางลาเให้รักเหนียววกันนั่นนาอันว่าพ้นทางนาไทยน้ารบประวัาิคอยมิความสัทธาเจ้าอ สวนลูกในบ้านยอด่โอ้ยบ้านยอค่ะยอดแท่งหรอแาแม่จับอกแม่จันจสอนสะหน้าโนบอันเทาอันนี้เ อ, อ้ยขั้เจ้ า, าข้าคูข้าเ้าน่นมันเป็นทังสี่หอกอันเทาอันนี้สีไม่ลสล่ะสามขนมันคือเท่าแท่ไปยังเ้าห้หหกกลทีกินถว่า ประม ท, ที่เอเชี่ย ง, ง, ง่านบอเพิ่้าไปแถบลือสร้างลูกไผ่เพหนีไปข<ป>ันขันเจ้าหากไฟอิรนีนเทวานีเออไออันน้ำนนไปสราเสือซรางลาให้โลกให้เมียนันเจ้ายาสีขัดเอาจิตใจของเจ้านั่นไปวัดไปว่าไ ป, าไปาส่วนอิติพิโสรกเราว่าอยู่วัดอยู่ว่าผมก็เป็นตีเทวา น, นีขันเจ้าสวา่าอีกนี่โต๊ไก่ได้เจ้าให้จำใหเทวา น, นีโอ้พให้แม่ให้ม่ยอยู่นอยู่มึงกต่อ่แต่แมก็ปากเปา เนีวสนั่งอยู่ซื่อๆสิอ๋อกรบโนั่งอยู่ซื่อๆลาทาวานีเอ้ยสเห็ดั่งอเห็ดไปแต่ว่าอาจจะสีเ้าหรือยะสหงเรื่องัวเรื่องเมียก็ด้เ้าพอยู่เดี่ยนี่สิไปนั่งอเมียกับมาสายสันทรก็ว่าจังสั้นลาทาวานีเอ้ยกระกีหอดเขาไปสอนขึ้นสมขึ้นนะพอเห็นหน้ากันแลกีหอดธรรมดาลาเอาเอาเอาจังสันเก่าว่าแต่บเห็นเม่นีเอาแม่ส่ปากโาแม่สีนั่งอยู่ซื่อ เมื่ อ, อไรมารู้ได้ว่ากลับมาดานแล้วจึงได้ตรงไปที่บ้านของกาลีเพื่อจะไปตามเอากาลีกับลูกให้กลับขืินมาอยู่บ้านด้วยกันเมื่อไปถึงแล้วจึงพดวดขึ้นว่ากาลีกาลีเอามะเออยู่ที่ไหนไหน่ยเ ด, ดี๋ยวุ้กพูดใีไปเห็นอีหยังนังพเกเต่าอีูู เปนกี่ตัาหุงซมบะหัวไปกินข้าวต้มการียูสั้นดูสันก่อนออกมหาพี่จักข้าวในถอดการีรักว่ามันไปโนมการี มันเอิ่นเพลอะรอ่างนี้เอาแบเอิ่นกาลี่าราบอกวาหายผีจะเข้าแน่อ้ทานเพลยอยางนก่อนจะมีพ่นในานี่อนเปากันว่แห้งหมดเมั่เอินกาลี่กาลี่เอียงอปาสนนั้นาปาส่สื่ก็มาขอีแต่ไได้คือเก่าแต่ละกาลี่อน้อนตัวหัวอีมั้ อ๋อเบิกันไหนคิมน้ำมีอยู่ปะอยางนี้วไปสวนทั้งหมดนิการีเหตุไดว่าเคยอยู่น้ำแข็งเหตุใดสนอเออมาต่าบอกวขาเจ้าดีขึ้นมัยบัน้น้ำแข็งขึ้นจนสี่ตัวนิการีไปไหนวามาเื่อวว่าเดียวนี่นาเพื่นพอใจมดแล้วก็ให้ทังไฟเนอะยาเคลื่อนเคื่อเกียดผมเส้นมือนิการีอันเรื่องม่เคื่อนซ่านนาเพื่นพ่อใจมัุตอยางเสเดียวเดียวมาเจ้าเนี่น ไปอยู่เงี้อ่าตกันแม่ยาเพื่อนสีเปาก่อก็ว่า่เพิ่าว่างันมีม่านนกเอ้ยเมนสีย่สีเห้าปานได้กระตำมส่ใส่ร้อนม่ยานั่นบอยฉีบไม่มั่กาลี่นั่นบอส่วนบอขึ้นหรือใมนบันบไปแดงบันไม่ยาว่าแตมานนกมีมโนบกาลี่บกรับดอกอ๋อบอกรับจไหนกาลี่หรือ สี่เอาเรื่องข้องตัถาเขี่บ่มีห้าปาเป็นเล้าตระการหรือไปไปขึ้นไปยืน่านหรือสร้างน้ากันตระการหมาอยู่จากสี่มันก็มาเป็นตอยูตรอการนี่มันว่าไม่เหลืองเวล้าดิแต่ว่ามันเบียดให้คนได้ยินเออกระหมู่ยุโรปมันกัธรรมดาตะการเออันแม่ปุระตำรวจสะพ้ายน่ะนมันกับมี่คือกันน่ะนะคับแขี่ยกับฟั้นการีไว้มันกัมิตรทุกกรทันกเน่นธรรมดาล่ะอันนี้ที่ไม่ใ่รันเอ๊ยนะครับผมมาแล้วมาช ไม่냐ไปได้หรืเราสบายดีเยอะหมดนะไม่โอ้ยไม่รบาจางซีกาดีรับาจงซีว่าองไอันขมาเดือนใครนพอขับสีพอาใส่รีนางูื่อเื่อพ่อพ่าใ่ับาเออมาไไหมเสบไปอยู่บ่บแล้วปเนาะ กาบแหมบอกับจันไรกานียาสีเอาเลียงเอาเหล้าปะูเถาแขียววนี่มันเป็นเลีงบ้าเพื่อนนาการีไม่ไปไปเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยงพี่มโนหัสจยัางหักคอยเยอะก่านีเอาจันย่งหักยูเคือเก่าหน่กาดีเอ้ยตั้งแกมือเนี่ยแกไม่พอตัวนี้จัยังหักดูเคือเก่าหน่ะหักซ้ำไหนฮะซ้ำไหนกระเถือเท่าฝาสักตัวนีนีห้นีบออีนีหัดตัวไกักซ้ำรูปหมดนักไฝอีนี่กับ เ้าสิลับปาคนไดีบ่ละเซาสาขั้มขึ้นับเทไหนก่อนมันต้องมีสอามันสัญญาอ่อนจัวก่อนติดไปวันไปซองเนียกรับขึ้นเมื่อนี่ไหมโอ้จัวเขามว่ารุ่งคันได้ยี่บ่ละอันพ้ะอายุเหนียวหนียมาก่อนสีขึ้นเมื่อน้ากันต้องให้พี่ให้สัญญากวนมาเสนอใ้หการก็แม่นั่นแล้วเอาร่าว่าเนขนาสัญญามีแต่ข้าร่างบอกเป็นขนาดขวที่หนึ่งาจ้าไดนขว่ที่สองบาทใหญ่มันบุญยากหรอกอ้มาโนบ สัญญาอ่ข่อสองของ่ายๆสั้นๆโอ้มีสองขอเขเอาข้อที่ึมาไั้ไหนให้เหตุนั้นก็ต้องเหตุให้รบวาวโอ้ข้อที่หนึ่งให้เหตนั้นจต้องเเอาข้อที่สอนข้อที่สองาไไหนข้อที่สองให้ขาดนั้นก็ต้องขาข้อที่สองให้ขาดนั้นก็ต้องขาโอ้มีสองขอเท่านี้แค่นี้สั้นๆทุกบทได้ที่หมอได้ได้ได้ได้ขาดทีได้สอมยขอสั่งเนี่ยเาัหากาด จะบีบเดาเดาเนอะมีปัญหาหรอกขว้างขว้าตาไหมโอ้ยพีเห็ดใส่เต่ากาดิข้อที่หนึ่งเห็ดยันตุกิบข้ที่2ให้ขายัตุกาไม่ินเออแค่นี้ละไปไปไปน้ำนไปูาเาเต่ากาดิเอเอาหางาดไปไปไปน้ำสนาดุเาเต่ากาหลังจากที่ได้สัญญากับเมียทั้งสองข้อแล้วนายมาพบกับภรรยาและลูกหมยก็กลับไปสู่บ้านด้วยความดีใจก็มีหน้ากาละครั้ง จาลกาีกาีกาีน่าินดีอันนั้นมิเจาสบายดีอยู่กับาเที่ยวนิจังส้มโหนงไข่กัเก่ารดพอไข่ปากเก่าจ่าตานสูทีฟันกันนาแมาเมนเป็นอีนันโง่หนา้องหนาเสาหนาบอซื่นบอบานแต่กาดีไม่นาเราว่าให้เจาะบาีก็ไม่นานก็ไ่ได้ว่ายอกรอต่สบายดีอยู่จะบอไป มุดงี้หุ่หวมุดงี้หุนวยโอ้ยไม่น่าักว่ย่างผ้าไปผานมาเยี่ยซานบ้านซองนี่กไม่ย่าล้วก็บ่อามนางอตึงตังโย่ลูกก้อยไห้แล้วก็บ่อวพ่อ่อยมันกบกีบเจ้าป้องบกัหเ้ปากแล้วเบาก็เ้แล้วหุ่นเรื่องถั่วเรื่องนีแล้วกบ่ว่าท่าวานี้โอ้ยมันกัแหนกนงหนปดไวคนยังน่ง วาเราหนไหวย์บอกนึกันกับพวกเาคือต้องขัดขีดให้กันนี่ก็รบริหบ้านกคนต้องกาพวกาเพราาทางเปีนเน่เจ้าก็ะไรเนาะบ่บ่เอาบ่บ่บ่สิ่งที่ต้องให้สถานกาการีจะเป็นอย่างนัานราสูบีเพิ่งใหม่ประกันตั้งเจ้าหลานเราคือพวกอวยคอยคอยเห็นแี่เจ้า่างพกเรากกอพวกมึงพวแย่หน่อยหมดการหลานกับพวกมองโว้ยพวสร้างคอยก็บสร้างหลานเลยนี่สร้างหลานกับสร้างเรื่องลูกเจ้าลล่ะ คนไหนเฮ้ยใจไหนบกาี่จะที่ใไหเอาล่ะกาซปี่ฟังกันนาาี่เพรตรงโอตรงอาหรอกสัญญ่าตองเป็นส้าเอาสิให้พี่เฮ้ยใจไหนจะว่ายี่เดจะเคยสันญ่าอะไรก็ข่อยไเอาอัน้อยุเดียวนี่ว่าขนาดพ่อเหเจ้ากับเมื่ออยู่เพื่อนเมืสััเี่ยเจ้ากับมาเจ้าเนี่ย ต้องให้พี่เฮ็ดตามสัญญาปริการีแมนแล้วกันชิโยนักการีไม่ต้องให้พี่เฮ็ดตามสัญญาประกิเฮ็ดหวยย่นักบดายหรอกที่อันล่างเห็นไหมเอาตื่งตื่นยุ่พดกนเฮ็ดเดียวกันแค่ที่ะออกสีจ่ากันเบ้เอาการีหอเยเจ้าเสีพี่เฮ็ดจไหนสัญล้อว่าห้องบึงกระหนาวขอแรกนะเจ้ากับเฮ็ดดีมั้ยสวยสุดจางหรอกขอให้เฮ็ดย่างกับเฮ็ดตั้่วงไว้ดีเว่าขอที่สองนี่ยังว่าหันนี่ ทำตามคอยดูย่างขวที่สองขวที่หนึ่งเหตเหนั้นเหตุเหิทีดั่งจรั่งางแล้ววันตแมนตามใจคอยดูย่างอต่ขวที่หายหเน่ยงแะ่ขที่สองเอาเอ้าก็ขนาดขวอที่สองนี่ยที่เหตุใจในกาลูขวบที่สองนี่คอยอยากให้ขาเมียเจ้าแฮะขาเมีเจ้าแม่ยัเป็นแมนไปถาเอาเสยไปขาแล้วให้นหังอะขาเร้ถีบเลยละสร้างเลาเนี่ยสีขารล้วถ เราจะสีหาว่าออกไปตัวทีบตัวเดียนแล้วกันหนวยขาเขาบอกว่าที่ข้ามเด็ข้างานได้เจ้าเจ้าเาอยู่นโอ้ยอไบ้างไอเรื่องไงนี่เนี่ผู้เล่นไปบกาขาพ่อขาเมียองเกิดของมันกลยเป็นบาปเป็นกรรมถึงจะเจามาหาบอกไปตัวทีบตัวเดนแทนกาีว่าเรีวาตัวทีบตัวเดนแล้วที่ขาแล้วก็ขายืนโอ้ยผู้เลบก้าขาพ่อ่าเมีองเกนักการีจะสหาว่าบนบ๊อบินนอเมียเ้ว คาหมูาหมาคาเป็ดคาไกเขาใสอยู่ดอกกาลีเอ้ยตะวนี่าคาแม่คนเก็ของนผู้เรสี่ป่าคาการีเอ้ยมันเป็นอนันตรธนิจกรรมตัวการี่คาพ่อคาแม่น่ะนะตีพ่อตีแม่มันเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักคือยการี่วิตลุกมุกไปยางเดียวรการี่หามสลันหาท่านสตัวจะโอ้จักก็ได้ดิอนันมันเหลืองทองเจ้าไม่มันเหลององเพราะเราห่างใชปล่าเห็นหรืองดเห็นตนีฮะ ขันก้วยันตวตายด้เมือาขันกล้าาแม่เาสขาผัวัแม่บาทเนี้ย่คือบานีตายบ่ตายตายตกระบานเอาากระคาสถากาแม่เราจะม้วนไม่หนอาพูดสบายวพูอย่างไรพี่ยังไม่่าแค่ยังฟาเห็นรึใมาหน อสิขาจะไหนว่างกว่ากระาคาผู้เฒ่าอสิขาจไหนคาจะไหวัเราซื้นาเนี่ยใส่หัวเราะนู่นเตงเตียงร้อนเลยาำขึ้นใช่ไหมขึ้นเหมีี่ซ่อนแล้วขาก็คือนู่เตียงเลร้อนนู่นเตี้ยงมาแขนมาขาไววถูกตัวเตี้เติ่งเตี้ยชิมยาโนอนรับก่อน น้ำเป็นมดขึไนนี่แหละโอ้ยน้ำเป็นไม่หันตู้หันตู้หันแก่ข่ดขุ่ขุดขุดขุดขุดนุดุ้ดขุหขนดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดาุดขุดขุดุ้ดขุดขุด หลังจากรจินดาโน้ตแล้วเนี่ยไอเห้เราน่นต้องยันขไปสองพัาอเผาต้องเชื่อตะกอนกันเลยทั้งตัวโอ้เฝ้าอยู่เดียวนี่ว่าเชี่ยพี่ไปเห็ดของคว้านควันมาที่กาลี่แน่นโอ้ไปก่อของฟว้านก่อของควานแล้วก่อแต่เดือกหนาจักมวยหน้าจักทีทุ่มหาทุ่มตสถ้าไปมันจะเดือกต้นคือศิลาเแลีว ปันทีล้วกับยังไปถามไม่นานไปเผาวันที่กาลีเออเออเอาเอาเอาเขาจะแซงกระโตกลงตามนี่กาลีเนาะคุณยมเหอ๋ในตอนนั้นปรึกษากันอย่างถูกต้องเมียเน่ยส่งให้ผัวเห็นตกตอนเย็นแม่กาลีได้มาจามแล้วแว่ร้อนขึ้นกลาง เมื่อได้ว่างคงร่างไผมะยามกะเลวเตะกินเขาเลียงเหล้วนั่งกาลี่บ่อไก่ยากับแม่ขึ้นไป น, อนอันโยหองเชี่ยงไก่แห่งกันสนนั่งเกาฉาพญานังนอนบอนเก่าคึ้นบนเตียงแม่ของ น, นั่งให้นอ่นเฮี้ยงกอมหลานอยู่ทังไตเดิกเดิกมาหลานแล้าให้อ้อยเทไหลก็ะเ บ, บยีย่ยาจึงล้องมาสู่อ้อยหลานใช้อยขาดไตให้ดองนั้นเป็นโยเทแทน เด็กซุว่าทั้งแม่แครนเป่ารูกผัผวเดิกแล้วก็รีบมาไปแบกบหามเตียงนอยสองผัวเมียพากันท่านคอยควยไฟยกระบองกระบอกไตไฟกระบอกกระบอกสอนยานเมญานเจ้าของตือนตระรุษปวดห้องพอถึงห้องจึงลืมใบเฝ้ า, า ว, ว่าเช้าผัวควหเฮติดอยู่กับเตียงยานส่งเสียงเอาผ่ า, พ, าพิษปากแยกเราหามเคลื่อน พ่อแต่หามผิดเม่ไม่ใจเว้ยกาลีหามขั้งควันบอกจากบานหล่อนแม่จาของสำรองพอถูกตอกปาสาไปหา ก, กระจุดเผาเมื่อเผาสาเร็จแล้วสองผัวเมียก็กลับไปสู่บ้านด้วยความดีใจก็มีหน้า ก, กาการันื์ <c oughs> ยอดแจงขาน่าเนื้อละคุฏตัวสัตว์เพียงเสียงชีช้เชกน้นมาเขาละไหลลงทางาว่างนองอ้อยเงื่อนนักยิ้โนกา เปลี่น แกจรดสอนจำมาจำมามัมา sí, ั้หายละเสียใจเขาเมียตางออออเอเอสียเป็นดอกควงกามห้ให้ดอกมั่มฮาละลา แม่าเหว่านี่ข้าจะขวังมันไปภูเขาเองขอเท่าจะหนหนลาแม่น้าลีนี่สวรรลักแม่เจ้าก็ตายละเสียได้ี้ ดีกาเสียสินนะเนี่ละน้นวาสินบริกินนางบารายห่ว เสียมละคั้น้อนดอกเสียหอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ะโอ้ยโม้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ย้ย้ย้ กองลางลจ่แมงจูจังมังงาปานบากางรอาค้ดเอ้ยอ้ยป่านมากยอค่าเจวาดมาสดาค่าเหลือไกลความเสียอกหอกเสีย ดอกทังแก่ละเกียดไปมาอย่าลงมแต่พ <terminar. S 2> ่อกวีผู้แต่งแต้มนาผู้แต้มเลียงนาเต้นใจเสียดอกซื้อเสียงวาสีขาเม่ยพุนผัดข้างการอดีตแม่ทนนะเต้นแบบนี้เก่าดังบนนากาลีลูกยังจุงใจพัวกาคนจังไลยว่าที ใรดอกตองแฉงละเอเจ้าโบกผ้าผัวแงง่ะเรือรู้งงรูแงงร่นงวนใดดอกตองแงงฮีคาพิโตแทแทะละเป็นยังหน่ดอก มาสามองกู พวะพี่พวะพี่บาลพวจมึงบวมีตาตูหมดเนีย ก hey, okay, okay. uh, e ูบอกเจะาเช่าเจ้าเช่าแหละว่ามงหนามึงนามึงหนาโคตกว่าสี่เปเผานึ่วอแม่กูจอยหายหอหหอมมืดตามันเจอหนาม้านบหมม้านบป้าหนบนม้าหนม้าหนาางากานกันดูข่ากระขานจะเาจะฝงถ้าาหมันเป็นตะันรจะนายเว้ยหลา่งหนา ไปไปไปไปไปใส่แล <emás S 2> <fly S 1> ้วาบปไปมือนีไปกองกอนไปยาไปขามือนีไปใช่ไหมกว่าไปยาไปขามือนีเอามันทั้เา่อนีเบอรแล้วโอ้ย่ว่าไป่ไ้ไม่ทัวเรองตายได้เอาปแล้วตัวมันสิหนกที่ยังโอีาเอ้ยท่านบุญไปให้แล้วไปแล้วตัวสิเป็นกที่ยัง ว่าไรเด้อว so ่าไรเด้อแม่กูตายแม่ก็ต้องตายกัน้างาจังสันเงียทพ่อแดงกบงาตาหาไปกูบิไปไปไปห้กองฟ้าไแกถมแรกนี่พกแก็ตายว่าแล้วดอกเงี้ตาย่แล้วอย่งี เอาเอาเอาเอาขั้นจงศัพท์การีเฮ้ยตันอีโบชินกา ร, รกดอดสิทบการตามใจจนให้ใจเย็นไปสิพลาดการเรงี้นิาการีเมื่อไยมนุพูดตกลงกับการีแล้วจึงตรงไปที่ป่าชาหาไม้มาทำเชิงตะกอนหรือกองควอกเกนเพราะตดวเธอในคืนนั้นทั้งสอนจึงช่วยกันหามมารดาไปเผาเป็นรอบที่สอง พอยกใหญ่จันทีขึ้นสู่เชิงตะกอนจะเผานายมานุษย์พักูกระเป๋าปากฏว่าลื่ห ม, มไม้ขีดไฟจึงพูดกับภรรยาขึ้นว่าน้าดูกมันขาขี่ไยตายยีตายนถิดด้วยคือความแห้งซะไปเรื่องน้ำโมเรื่องเรื่องไม่ขีดทานไป อาการมาเลื่อนเพจังไหนชนะมันบอไดตั้งเจว่าสีเรื่องดอกืนแน่วแนวนันแนวนี้ืนารืมรังเอาจงสีเอาจงสีเจงีสจมไหที่บ่านเลูกเมียสิตาย่อาเาตายตายจาเอาจ็งี คือตอนนี้อ้เรื่องไม่ขีดไฟอยู่ห่างเดียวเดียดพีวาสิกบไปเอาไม้ฉีดไฟให้เจ้าถ่าอยู่หีือังเข้าสิเนี่ยเน้าเป็นบอผมว่ามันทป็นผิดเตอร์ป้าสาวนี่ถือว่าเป็นป้าดินคนถ้าเป็นคนเขียดเป็นอะไก็ให้เจ้าถ่ายดูหนีพีสิกาไปเอาเหื่นไปอาพีสิกาไปเอาไม้ขีดไฟโวยถ่ายกูได้กังถ่ายกูได้เจ้าศักดิ์ศักดิ์ เมื่อไปพีน่าใส่ห้่อี่ก็มีกหลายเยีนี่นนนป็นนการมเวันนี้กาว่าอย่นีว่าาเมืแมน่ไปจะจัดการจการี่จะจันกานนกา่